ใครทำไปดูเวลาไปไหมมีใครทําแล้วดูเวลาได้ไหมหร <c oughs> ือใครทําแล้วก็ดูเวลาเลยฮนะ <c oughs> ดูเวลานลองสังเกตจิตใจของเราเองนะจิตใจของเราเองแต่ <c oughs> ก่อนจะมาปฏิบัติใหม่ๆบางทีเราก็ตั้งตัวเองนะบางทีอยากจะเดินสักชั่วโมงหนึ่งนะ ก็ค่อยตอนที่สติสมาธิไม่ใอยดีบางทีเราก็กังวลดูว่าเมื่อไร่เมื่อไร่จะเมื่อไรจะถึงเวลาเหมนะือนกันหรือบางทีก็เคยนะบางทีอจะนั่งสักทูบดอกหนึ่งมันหมดนะค <c oughs> อยรู้สึกว่าอืรู้สึกว่าทูบมันนานเกินกว่าจะหมดนะ <c oughs> แต่ถ้าเราไม่ แต่ลองดูตอนไหนไม่ได้ไปดูทูปนะก็พาพมันก็หมดแต่ถ้าเราคอยเทียวดูนะมันก็จะรู้สึกว่านานนะรู้สึกว่านานเราจะทำอะไรเราดูเวลาก็ดีดูทูป ก, ก็ดีนะเผื่อหรือเราคิดว่าเมื่อไรมันจะเสร็จเมื่อไรมันจะถึงเนะี่ยขณะที่เราทำนะมันจะนานมากนะแต่บางทีจิตมันอาจจะ จิตมันอาจจะอยากรู้หรือจิตมันอยากเจนถึงนะก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็เพียนแห้เออกลับมากลับมาอยู่กับการเดินใหม่กลับมาอยู่กับการสร้างจังหวะใหม่การกลับเนี่ยที่จริงถ้ามีสติจริงๆนะถ้าเรากลับมารู้ตัวมันจะตัดจากตรงนั้นไปเองนะไม่ใช่การดึงที่จริงเหมือนมีโยมผู้ชายเมือ่อเมื่อสักครู่ก็ไปคุย ไม่ใช่ว่าคิดพอรู้ว่าคิดแล้วมันดึงกลับมาอยู่กับร่างกายแต่จริงจริ ง, รงมันคือว่าพอเรารู้ว่าร่างกายมันทำอะไรอยู่มันจะกลับมาเอง <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราคิดแล้วเราต้องดึงเอาจิตเราเอาจากความคิดมาอยู่กับการรู้สึกร่างกายไม่ใช่นะที่จริงแต่การสร้างจังหวะการจังกรมเหมือนเราตั้งไปพอเรารู้ตัวเช่นรู้ตัวนะ จิตเมื่อกี้มันเผลอไปคิดมันจะกลับมาอยู่กับตัวเองอะครับบางทีบางคนเข้าใจว่าเราต้องดึงดึงจิตกลับมารู้สึกตัวแต่จริงจิตมันเกิดความรู้ตัวมันก็เลยดึงดึงจิตกลับมาจากความคิดมาอยู่กับการอยู่กับเนื้อกับตัวนะเนื้อการสร้างจังหวะหรือกรรมฐานเนะี่ยก็คือก็การสร้างให้เกิดตัวรู้ เมื่อมันเกิดตัวรู้แล้วจิตมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวของมันเองเนี่ยเราทําแบบนี้แต่อีกส่วนหนึ่งต้องระวังว่าบางทีเราไม่อยากคิดไม่อยากหลงมันจะกลายเป็นการทําแบบบังคับให้จิตต้องอยู่กับตรงนี้นะนะอย่าไปไหนนะมันจะเกิดการกําหนดมากเกินไปเกิดการจ้องดูเกิดความตั้งใจมากเกินไป ถ้าทำแบบนี้ไปบ่อยมันจะเครียดเนาะถ้าเรารู้ตัวว่าเราตั้งใจเราอยากเราอยากจะรู้มากเกินไปเออทําให้ผ่อนคลายขึ้นให้มันให้ช่องว่างมันบ้างนะแจะคิดก็ไม่เป็นไรเนาะก็กลับมารู้ใหม่และลองหาความพอดีก่อนเนาะมันมีทางทางสายการมันคือความพอดีระหว่างการที่ เราไม่ตั้งใจมากเกินไปแต่วิส ด, ด้านหนึ่งก็คือการที่เราไม่ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านจนไม่รู้ตัวแต่การทางสายการอาจจะไม่ใช่อยู่ระหว่างแบบนี้นะแต่อยู่ระหว่างที่เรายกจิตออกมาเป็นเห็นมันเห็นมันเครียดเห็นมันฟุน้งนะสติเป็นผู้เห็นเมื่อมันเครียดนะเช่นจิตมันอยู่กับความเครียดมันรู้ว่าเครียดแล้ว หรือมันเกิดการรู้กายแล้วมันจะกลับมาของมันเองเมื่อจิตมันคิดฟุ้งซ่านพอเราเกิดความรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันจะดีดกลับมาเองเหมือนมือเราสูกของร้อนไม่ต้องคิดว่าจะต้องกลับมานะมันถูกมึ่งมันถูกมันกลับเองนะมันจะเป็นเหมือนนะ้เหมือนไม่ต้องไม่ต้องใช้คำสั่งเหมือนเบเกอร์นะไฟมันรั่วไฟมันช็อต ไปมันเกินมันก็คลิปมันก็ตัดของมันเองมันจะเป็นนะสติจะทําหน้าที่ตัดเองเนาะลองเองแค่ลองตร้างมันสร้างมันนะแต่สร้างให้สบายๆ ส, สร้างไปเรื่อยๆนะดูบ้างหลงบ้างไม่เป็นไรนะลองสร้างเนนะี้ไปเรื่อยๆทาให้สบายๆหายใจสบายๆ เดินให้สบายๆนะดื่มตาก็ให้สบายๆนะไม่ใช่จ้องที่ไหนนะไม่ต้องทาตาเบอะเบอะนะต้องระวังนะไม่ใช่จ้องชัดๆที่ไหนหรือไม่ต้องทําแบบเบอะเบอะเหมือนเหมือนไม่อยากมองนะแต่จริงเรามองนะมองแต่เหมือนเช่นมาเห็นโยมผู้ชายนั่งเย่างนี้ ก, ก็ก็มองนะแต่ก็ไม่ได้ไปคิดเรื่องโยมก็คือเห็น เราจะมองโดยต้นไม้ก็มองนะมองอะไรก็มองแต่ไม่ไปคิดในเรื่องในสิ่งที่เราเห็น แ, แค่นั้นมองสบายสบายไม่ต้องตั้งใจทําให้ภาพมันเบลอไม่ต้องไปสนใจเฉพาะจุดไหนรายละเอียดตรงไหนนะแล้วก็มองแน่นนะใสปฏิบัติตรงนี้ก็เลยไม่ค่อยอยากให้หลับตาเพราะบางทีถ้าหลับตาแล้วมันจะคล้ายๆมันจะเกิดการเท่งอยากจะรู้ข้างในให้มันชัดชัด แรกๆ ก, ก็ดีนะแรกๆ ก, ก็สบายแต่ถ้ามันไปตั้งใจมันชัดมากเกินไปมันจะเกิดเกิดความปวดหัวเกิดความแน่นหน้าอกอะไรแบบนั้นเราก็เลยทำให้มันดืมไ่เลยดืมตาอีอย่างหนึ่งเพื่อเวลาใช้ในชีวิตประจำวันมันก็จะได้ประยุกใช้ง่ายๆนะเพราะเราเคยฝึกลืมตาแล้วก็รู้สึกตัว ความรู้ตัวไม่ใช่ต้องตาเห็นแต่คือใจมันรับรู้นะตาก็อาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ใจรับรู้เห็นแล้วนั่งอยู่รู้สึกตัวไหมย <c ười> อย่ารู้แต่แขนน ะ, ะความรู้สึกตัวไม่ใช่รู้เฉพาะส่วนไม่ใช่รู้เป็นอวัยว ะ, วะแต่รู้สึกวรวมรว ม, ร, วมร่างกายกำลังนั่ง มีการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนบนด้วยก็อาจไม่ได้คําพูดแบบนี้นะแต่ก็คือมันรู้สึกถึงการนั่งรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวลมสัมผัสมาก็รู้สึกได้เสียงกระทบก็รู้สึกได้เนี่ยมันจะรู้แบบไม่ใช่ว่าจะต้องรู้แต่สิบสี่จังหวะอย่างเดียวอย่างอื่นเข้ามาแตรกรู้ก็ได้ ถ้าไม่มีตัวอื่นแทรกรู้เราก็รู้สึกในการเนี่ยในท่าที่เราทำต่างๆแต่ให้รู้แบบนี้นะร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยคือสิ่งที่ถูกจิตมันรับรู้มันจะมีสองส่วนนะจิตเป็นตัวรับรู้ร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้นะอันนี้คือการรู้กายเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายนั่งร่างกายเดิน คือสิ่งที่ถูกจิตเขารู้นะจิตมันจะแยกนะเหมือนมาดูดูรวมรว ม, มคนดูกับคนที่ถูกดูก็ เ, เป็นคนละคนกันคนละส่วนกันร่างกายที่ถูกจิตใจดูก็เป็นคนละคนนะมันจะเกิดการแยกแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจนะต่อไปคนมันแยกกายแยกใจได้ต่อไปมันจะแยกระหว่างจิตกับความคิด แต่ก่อนเราคิดว่าจิตกับความคิดอันเดียวกันแต่พอไปจะเห็นว่าไอ้ความคิดก็ส่วนหนึ่งไอ้จิตก็ส่วนหนึ่งนะจิตที่เป็นปกติมันส่วนหนึ่งนะไอ้เมื่อกี้มันเผลอไปคิดส่วนหนึ่งเหมือนมาชอบเปรียบเทียบแต่ก่อนเราคิดว่าน้ํากับแก้วอันเดียวกันนะไจริงมันจะเห็นว่าไอ้แก้วก็ส่วนหนึ่งน้ําก็ส่วนหนึ่งความคิดเนี่ยมันมาที่หลังแต่จิตเดิมแท้มันมีมาก่อนมันจะค่อยๆแยกเห็น มันจะเห็นเพียงแค่ร่างกายจิตใจหรือจิตก็จะแยกไปเป็นขันทั้งห้าเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเรียกหรือชื่อก็ได้ไม่เรียกก็ได้แต่พอเห็นไปแบบนี้นะเห็นเป็นขันห้ามันก็เลยเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าเราเห็นมาเป็นเรานะมันก็เลยไม่เห็นเป็นขันห้าแต่ถ้าเราเห็นเป็นขันทั้งห้าเป็นนู่นเป็นน้ำก็แล้วแต่นะ เหนือแยกกับไปแต่มันจะเห็นชัดเจนเลยมันไม่ใช่เราเมื่อร่างกายมันแก่ร่างกายมันตายก็ไม่ใช่เราแก่ไม่ใช่เราตายมันเป็นขันที่รูปมันเป็นรูปที่แก่เป็นรูปที่ตายใช่ไหเหมือนเรารู้สึกอะรถมันพัง่ะมันนหมนเรื่องของรถนะใครไปคิดว่ารถนี่คือเราแต่ถ้าไปคิดว่ารถของเราเนี่ยเราก็จะทุกข์ใช่ไหมแม้เรารู้ว่ามันไม่ใช่เรานะร่างกายเอรถนั้น แต่พอไปยึดว่ารถของเรามันก็เริ่มเริ่มทุกข์ละดังนั้นความรู้สึกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเหมือนเหมือนเรารู้นะว่ารถเนี่ยมันไม่ใช่เราแต่พอเราไปคิดว่ารถของเรามันก็ยังทุกข์นะเหมือนเรารู้โดยทฤษฎีว่าร่างกายไม่ใช่เรานี้โด ย, โดยทฤษฎีนะแต่พอดื่ดมตัวเมื่อไหร่ก็คิดว่าร่างกายนี้เป็นของเรามันก็เลยนะ่มันก็เลยทุกข์พราร่างกายมันเจ็บเนาะนั้นลองทําให้เยอะ มันไม่ใช่การเป็นความรู้นะปฏิบัติคือทำให้มันจิตมันเป็นทำให้มันเป็นนะไม่ใช่รู้จำรู้จักแต่ต้องฝึกให้รู้แจ้งให้รู้จริงเดี๋ยวล้วก็แล้ว เ, เรากลับไปทานอาหารดูเนาะลองดูลองเห็นได้ยินเสียงการเคี้ยวข้าวไม่ได้ยินเสียงจิตใจ มันคิดมันพูดอะไรข้างในไม่นะรับรู้รสชาติในขณะที่เคี้ยวไม่นะแต่พอได้ยินหรือรับรู้แล้วก็ <m> ก็ทิ้งไปเลยนะักไม่ต้องไปสนใจว่าทำไมมันถึงคิดแบบนี้มันทำไ ม, มถึงพูดแบบนี้ทำไมถึงมีเสียงแบบนี้นะก็กลับมารู้สึกถึงการเคี้ยวข้างใหม่รู้สึกถึงการกืนข้างใหม่แบบนี้เลยเนาะดูแล้วก็ผ่านดูแล้วก็ผ่านสาคัญรู้แล้วต้องผ่านนะ อย่าไปเก็บมาคิดรูด้แล้วก็ผ่านผ่านผ่านผ่า น, ผ, านผ่านไปนเรื่อยๆแตตู้มีเตอร์นะอ